บทนี้จักได้แสดงรรมกักรถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธดนี่มาถึงบทที่สิบสามว่าด้วยเรื่องโลกหรือโล ก, กวัควรรณน า, น า, าหนึ่ง ไม่ควรเป็นคนรกโลกพระพุทธภาสิทธ์พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าที่นั่งท ร, รมังนะัเสเวยะปะมาเทนะนะสังวเสมิจ ช, ชาทิถิงนะัเสเวยะนะัสิยาโลกัตธโนแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพพรมอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพมิจฉาทิฐิ และไม่พึงเป็นคนรกโลกอธิบายความว่าเบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอักขาจารก่อนนอักขาถาแห่งพระคาถานี้ท่านได้อธิบายไว้ว่าข้อว่าทําอันเลวนั้นได้แก่กามาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะ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 ข้อว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทนั้นคือไม่พึงอยู่โดยปราศจากสติข้อว่าไม่พึงเสพความเห็นผิดนั้นคือไม่พึงถือผิดบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยการเสพธรรมเลวหนึ่งด้วยการอยู่อย่างประมาทหนึ่งมีความเห็นผิดหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้รกโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโลกเช่นนั้น ฉบับภาษาอังกฤษของด็เตอร์ราชปิษณันแปรณสิยาโลกัตธโนวงเล็บว่าไม่ควรเป็นคนรกโลกนั้นว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวกเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานๆโดยมตินี้อธิบายว่าบุคคลไม่ควรจมอยู่ในโลกไม่ควรพอใจในภพ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 โลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรเห็นกันอยู่แล้วแต่เพราะอาวิชชาคือความเขาโมหะความหลงผิดราคะคือความกำหนัดตัณหาความดิ้นรนและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนจึงยังพอใจอยู่ในโลกที่โกปรกทั้งภายในและภายนอกเหมือนกองขยะเหมือนพิษไข้อันเรื้อรัง อีกในหนึ่งข้อว่าณสิยาโลกวัฒถโนนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนผลโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองกามาคุณห้าประการคือความประมาทความเห็นผิดและความติดโลกทั้งสี่ประการนี้เป็นกิเลสที่ทำความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บรรพการมาจนบัดนี้ ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้งสีน่นี้คือถ้าหลงในกามคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็เชื่อได้ว่าความทุกข์จะต้องตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีถ้าไหนาในกามคุณไม่ประมาทเห็นชอบไม่ติดโลกก็เชื่อได้ว่าความสุขจะตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณี เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางวิสาขาทรงปรารภภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขามีเรื่องย่อดังต่อไป น, นี้ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งพระเถ ร, ระรูปหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุหนุ่มไปเรือนนางวิสาขาแต่เช้าตรู่ที่เรือนนางวิสาขานั้นนางได้เตรียมข้าวต้มไว้สาหรับภิกษุหรูปเป็นประจา วันนั้นพระเถระฉันเข้าต้มแล้วให้ภิกษุหนุ่มนั่งอยู่ที่เรือนนางวิสาขาส่วนตนไปเรือนหลังอื่นอีกหลานย่าของนางวิสาขาทำหน้าที่บำรุงภิกษุแทนย่านางกรองน้ำในตุ่มเพื่อถวายภิกษุเห็นเงาหน้าของตนในตุ่มจึงหัวเราะภิกษุหนุ่มรูปนั้นมองดูนางแล้วก็หัวเราะเหมือนกันนางเห็นภิกษุหนุ่มนั้นหัวเราะจึงกล่าวว่า คนหัวขาดหัวเราอพิษุนุ่งได้ยินดังนั้นด่าตอบไปว่าเธอก็หัวขาดพ่อแม่ของเธอก็หัวขาดความหมายว่าหัวขาดบาลีสินสินะสีโลเคยได้ยินหญิงทางภาคใต้ของไทยด่าชายว่าไอ้ตัดหัวคงจะคําเดียวกับมีความหมายเหมือนกันกระมัง หรืออาจจะเป็นคำเดียวกันว่าอย่างนั้นหลานของนางวิสาขาร้องให้ไปหาย่าที่โรงครัวใหญ่บอกเรื่องทั้งปวงให้ทราบวิสาขารีบมาหาภิกษุหนุ่มนมักศการแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าคำนั้นหมายถึงคำว่าหัวขาดไม่หนักนักมิใช่หรือสำหรับพระคุณเจ้าผู้ปรงผมและหนวดแล้ว ผู้มีเล็บอันตัดแล้วนุ่งห่มผ้าที่ตัดแล้วและถือกระเบื้องที่ตัดกลางหมายถึงบาทเที่ยวขออาหารจากเรือนของผู้อื่นดูเมื่อนานางวิสาขาจะด่าซ้ำเข้าไปอีกภิกษุหนุ่มตอบว่าจริงสิอุบาสิกาท่านทราบดีอยู่ทุกอย่างเรื่องที่อาตมาโกนผมโกนหนวดตัดเล็บถือบาทเที่ยวพิษาแต่การที่หลานของท่านด่าอาตมานะ่ะควรอยู่หรือ วิสาขาไม่สามารถให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันได้ก็พอดีพระเทระที่ไปเรือนหลังอื่นกลับมาทราบความแล้วพูดว่าคุณเขาไม่ได้ด่าคุณหรอกหลีกไปเสเถิดทุกคนเข้าข้างหญิงสาวหมดแต่ภิกษุหนุ่มก็ไม่ยอมเถียงเอาว่าแน่ละสิโยมหญิงของท่านนี่ท่านจะดุด่าว่ากล่าวเขาทำไมผมนี่สิผิด ก็ข้อที่นางด่าผมว่าคนหัวขาดนะควรอยู่หรือพระาศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องจากนางวิสาขาแล้วทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิพนของภิกษุหนุ่มนั้นทรงดำริว่าเราควรคล้อยตามภิกษุหนุ่มจึงตรัสว่าวิสาขาเด็กของท่านด่าสาวกของเราผู้เพียงแต่ปรงผมว่าเป็นคนหัวขาดควรอยู่หรือ ภิกษุหนุ่มดีใจที่พระศาสดาเข้าข้างลุกขึ้นประคองอัญชลีทันทีและกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบ พ, พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีแต่อุปชาของข้าพระองค์และมหาอุบาสิกาหาทราบไหมพระตถาคตเจ้าทรงทราบว่าพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์ให้ภิกษุนั้นมีใจเช่มชื่นขึ้นแล้วจึงทรงโอวาทว่าการหัวเราะ เพราะปราลกามคุณเป็นสิ่งที่เลวอันหนึ่งการเสพทำเลวและการอยู่ด้วยความประมาทเป็นสิ่งไม่ควรดังนั้นแล้วตรัสว่าบุคคลไม่พึงเสพทมเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่ควรเป็นคนรกโล ก, โลกมีนยะดังพรนน า, นามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาภิกษุหนุ่มได้บรรลุโสดาปติผล สองผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนะประมเชยยะธรรมังสุจริตังจเรธรรมะจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมหิจะธรรมันจเรสุจริตังณนะตังทุจริตังจเรธรรมะจารีสุขังเสติ อัศมิงโลเกปรัมหิจะความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธธ ร, รมให้สุจริตผู้ประพฤติธธ ร, รมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธธ ร, รมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธธ ร, รมให้ทุจริตผู้ประพฤติธธ ร, รมเป็นปกติย่อมมีความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ส่งหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอธกถาอาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้ว เที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตยอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บคือออกบินทบาทตามมีตามได้ชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพั์ครั้งแรกก็เสด็จออกบินบาททาให้พระเจ้าสุโธธนะเดือดร้อนพระไทยว่า พระพุทธองค์ทรงทำลายเกียรติแห่งสากยวงศ์แต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นสากยวงศ์แล้ววงของพระพุทธองค์คือพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำกันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อภิกษุเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้นพระอุปชายะก็ให้อนุสาสีในถ้ำกลางสงว่า การบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตเธอพึงอุตสาหะในการบิณฑบาตนั้นตลอดชีวิตวงเล็บที่ครองเพศภิกษุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาหารที่ภิกษุได้มาโดยบิณฑบาตนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งการบิณฑบาตคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีพ เพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหงหาอาหารเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบินทบาทยังเป็นทางลดทิฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้ จ, จริงของตนทุกๆเช้าเป็นการออกกำลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วย ส่วนท่านที่ไม่ออกบินทบาตนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้แต่ว่าเหตุผลก็คือพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบินทบาตบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบินทบาตก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นามาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไม่ต้องแสวงหาอีก อ่อหนึ่งการไม่ออกบินทบาทของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัวเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อาหารบินทบาทมาถึงพระผู้น้อยมากขึ้นเป็นการสะละลาบที่ตนควรจะได้เพื่อผู้ขัดสนซึ่งควรจะได้มากกว่าผู้เขียนอย่างไรก็ตามพระเถระผู้ใหญ่ที่ออกบินทบาทอยู่ประจาก็มีท่านมักจะอายุยืนข้อว่า ควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้ทุจริตนั้นอธิบายว่าควรตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมเว้นทุจริตธรรมไม่ควรประพฤติธรรมด้วยอาการแห่งผู้หลอกลวงแต่ควรประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจมีความซื่อตรงไม่คดในข้ององในกระดูกไม่มีอาการสับปรับอันหนึง่งไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรม บาลีว่ารมเมนะนะวดีจเร่คำว่ามีแผลให้ความหมายว่าพระพุทธภาสิทธินี้พระไตรปิฎกเล่ม25ิหหน้า179พระศา ส, าสดาตัดแก่พระเจ้าประสิทธิโกศนด้วยทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศนต้องการทดลองพระสัพพยุตยานโดยการทำความเคารพแก่นักบวชปลอม35คนซึ่งที่แท้คือราชบุรษ ซึ่งพระองค์ให้ปลอมเป็นนักพรตห้านิกายนิกายและเจ็คนเพื่อไปสอดแนมเหตุการณ์ในแคว้นอื่นและกำลังกลับคือประพฤติธรรมเพียงเพื่อปกปิดบางอย่างอันแฝงอยู่เบื้องหลังแห่งการประพฤติธรรมนั้นถือเอาเพศแ่งผู้ประพฤติธรรมบางหน้าเหมือนคนมีแผลหาผ้าเนื้อดีมาปิดแผลไว้การประพฤติธรรม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 ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมสบายใจในโลกทั้งสองมีความสุขในโลกทั้งสองดังพันานามาชนีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัททรงปราบรพระราชบิดามีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัทครั้งแรกพระญาติทรงต้อนรับที่นิโครธารามเพราะได้ทรงสร้างนิโครธารามเตรียมรับเสด็จไว้แล้ว พระญาติที่มีอาวุโสคืออายุมากรวมทั้งพระราชบิดาด้วยมิได้แสดงความเคารพเท่าที่ควรเพราะเห็นว่าพระศาสดามีพระชนมายุน้อยกว่าคราวลูกคราวหลานพระพุทธองค์ต้องทรงนิรมิตพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในอากาศทรงจงกลมในอากาศนั้นเพื่อทรมานหรือคลายทิฏฐิมานะของพระญาติทรงแสดงธรรมให้พระญาติเลื่อมใสแล้วทุกพระองค์ตั้งตนแต่พระเจ้าสุโธธนะ ยอมถวายบังคมฝนโบกครพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาตินั้นมหาชนสนทนากันเรื่องฝนนั้นพระศาสดาตรัสว่าฝนโบกครพัดตกในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนก็เคยตกในสมาคมแห่งพระญาติแล้วเหมือนกันทรงปรารบเหตุนั้นแสดงเวสันดรชาดก พระทั้งปวงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปแม้เพียงองค์หนึ่งก็ไม่ได้อาราธนาพระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุโธธนาเองก็ไม่ได้ทูลอาราธนาเพราะทรงดำริว่าบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราจะไปที่ไหนเมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศรับสั่งให้ราชบุรุษตกแต่งอาสนะและอาหารไว้ต้อนรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวาร ด้วยแน่พระไทยว่าพระศาสดาต้องเสด็จมาเสวยที่พระราชวังอย่างไม่ต้องสงสัยรุ่งขึ้นพระตถาคตเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อเสด็จมาอย่างเมืองของพระญาติเมื่อออกบินทบาทเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติเลยทีเดียวหรือเสด็จไปโดยลําดับทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จไปโดยลําดับเรือนพระศาสดาจึงเสด็จออกบิณทบาทอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต พระมารดาแห่งพระลาหุลบวงเล็บคือพระนางยโสธราอทอดพระเนตรเห็นขณะที่พระพุทธองค์ทรงรับบินธบาทจากคนสามันที่เรือนหลังหนึ่งจึงรีบกราบทูลพระเจ้าสุโธธนะพระราชารีบเสด็จลงไปถวายบังคมแล้วทูลว่าลูกทำพ่อให้เสื่อมเสียเกียรติยศเสียแล้วที่ทำอย่างนี้พ่อละอายเลือกเกิน ลูกควรเที่ยวไปด้วยวอทองไม่ใช่มาเที่ยวเดินขอทานเช่นนี้มหาบอ่อพิษอัตมาภาพทาตามสกุลวงของอัตมาภาพก็การเที่ยวขอทานขออาหารจากชาวบ้านบ้านเมืองคนอื่นเลี้ยงชีพนั้นเป็นวงของพ่อหรือมหาบอ่อพิดนั่นไม่ใช่วงของพระองค์แต่เป็นวงของอัตมาภาพอัตมาภาพเป็นพุทธวงแล้วไม่ใช่สากยะวง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรง ร, รมอย่างนี้ทั้งนั้นพระโลกก น, นาตรัดต่อไปว่าบรรปะชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธ ร, รมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าสุโธธนะได้บรรลุโสดาปติผล 3. เห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตยะถาปุพุรักังปตเสยยะถาปตเสมรีจิกังเอวังโล ก, กังเอเวขันตังมัจุราชาณปัสติ แปลว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เล็งไปในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็แตกดับไปเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับสวยได้ยึดมันได้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 ดูก่อนโมกคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอัตานาโนทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ ปรัชญาของพระพุทธศาสนาทั้งสายมาธยามิกะและโยคาจาร์หรือหยุนสุญญาวาสและวิญญาณวาสมีความเห็นพร้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นสุญญาวาสวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ สัจจะอันสูงส่งก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระเหนือสมมุติโหรหันที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองคือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสัญญะจึงใช้ในความหมายสองอย่างคือ ในความหมายที่เป็นโลกิยะและโรกุตระเป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมาประกอบกันขึ้นจึงวม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุด ผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกพวกที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสตัวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกติคือเท่ากับส่วนสุดทั้งสี่คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วย มีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจานแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้งสีดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่รูปด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้นมาทยะมิกะกล่าวว่าผู้ที่รู้ว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนที่แท้จริง ชื่อว่าได้รู้พระปัญญาอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งรู้ว่าโลกิยธรรมทั้งมวลเป็นคล้ายภาพปลวงและความฝันชื่อว่าได้รู้ความจริงและบรรลุถึงอมตะนิพพานอันเป็นที่บร ม, มสุขเพราะโดยความเป็นจริงแล้วโลกิยะหรือโลกิยารม์ทั้งปลุงหาแก่นสารอะไรไม่ได้เหมือนต้นกล้วยไม่มีแกน่นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายา ปรากฏการ์ต่างเป็นเพียงชื่อเป็นภาพลวงเหมือนฝันเหมือนภาพหลอนมันมีจริงเป็นจริงไม่ได้เหมือนเขากระต่ายบุตรของหญิงหมันเหมืองมายาเหมือนดอกไม้ในอากาศล้วนเป็นจริงไม่ได้ทั้งนั้นฟายโยคาจาร์คือวิญญาณวาัทถะถือว่าวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงกันสูงสุดนอกนั้นไม่จริง โลกเป็นมายาปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงความฝันอันยืดยาวเท่านั้นวิญญาณ น, นวาทะไม่ยอมรับว่าโลกภายนอกมีอยู่จริงมันเป็นเพียงการแสดงออกของวิญญาณสิ่งที่มีอยู่จริงนั้นคือวิญญาณอันบริสุทธิ์พระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารบภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าพยายามทำความเพียรแต่ไม่อาจบรรลุคุณวิเศษได้จึงพากันกลับมาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระาศาสดาตัดบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปขณะกำลังเดินทางกลับมานั่นเองได้เห็นพยับแดดในระหว่างทางเจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ ฝนเริ่มตกในขณะที่ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปสู่วิหารพวกเธอยือนที่หน้ามุกนั้นๆเห็นฟองน้ําซึ่งตั้งขึ้นแล้วแตกไปเพราะความเร็วแห่งสายน้ํายึดเอาฟองน้ํานั้นเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ําเพราะตั้งขึ้นแล้วดับไปแตกไปพระาศาสดาประทับนั่งในพระคันธ ก, กุฎี ทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาสไปเหมือนตรัสอยู่เบื้องหน้าของภิกษุเหล่านั้นว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณนะที่นั้นนั่นเอง